ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวเมวิโตทินนางเปตานางอุปกัรปติอิจตังปติตังตุมหังคิพเมวะสมิชาตุสัเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรสุยะถามณิโชติรสโยะถา ดิโยวิวาจันตุสาพโรโควินาสตุมาเตภาวานวันตายโยสุขียุโกภาวาพิวันธนันสีเลสานิท จังวทธาปาจายินโนจารโรธรารมาวัฏฐานทาีอายุวันโนสุขังบาลังอายุวัฒกาทนาวัฏกาสิริวัฏ ทากายสาวัทถากาภราวัตทากาวันาวัตทากาสุขวัตทากาโหตุศาพาธาทุกขาโรวข้าพยาเวลาโศกาสัตุจุปัตาวานิการ ตรายาปิวิน า, น า, า, ส, าสันโุจเตนสัสัสยเเซทิทานังสุทธิภาคยังสุขังภาลังสิริอายุจาวันโนจัโขขังวุต ทีใจยสวาสตวสาจายูจัยยจชิวเสธิภาวนตูเตภาวาตุสาพามงขฆาลาราคันตุสา พ, าพาวาตาสาภาปนทานุภาเวนัสธาโสติภาวนา ตูเตภาวตุนสาผ้ามังฆาลังราคันตุนสาผ้าเทียววัดตาสาผ้สังคานุนาสถานโสติภาวนตูเตี้ภาวตุสาผมังฆาลงราคันตูนสาวัตาสผสังคา โภาเวนัสธาโสธิภาวันตุเต